หลังตะวัดเย็นนี้เดี๋ยวเรามาดูประวัติหลวงพ่ออมเขียนร่วมกันดูกันหมดนี่แหละระหว่างที่เตรียมเครื่องเดี๋ยวจะอ่านไอ้นี่ให้ฟังก็คือมีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็มาเจอกับกลุ่มคนคนนึง หนึงในนั้นกำลังยืนถ่ายรูปอยู่ตอนนี้คุณจะูุ้นสักเป็นเจ้าของบริษัทถ่ายทำโฆษณาและทำหนังนั่นแหละเคยทำหนังอาจารย์กันพลมาคื v. อว่ายู่มาวันนึงจะทำประวัติหลวงพ่อโดยการให้การบ้านอาตมามา เป็นประวัติโดยย่อของหลวงพอ่ออมเขียนท่าที่อยู่มาสิบสามปีสิบสี่ปีนะได้ยินอะไรบ้างให้ประโยคสั้นๆเอาไว้บทยอ่อสั้นๆอันมาก็เลยเขียนบทยอ่อไว้แล้วก็เอาไปให้หลวงพอ่ออมเขียนทวนให้หลวงพอ่ออมเขียนท่านได้อ่านแล้วก็ดูว่ามันตรงไหม อาบาเขียนบอกหลวงพ่ออย่างนี้กราบนักการหลวงพ่ อ, อเขียนทราบคุณจะลูนสักเนะี่ยผู้กํากับอัต ร, ระวัติชนะีวิตหลวงพ่ อ, อเขียนให้กันบ้านผมไว้เกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อให้ย่อ บ, บทประวัติเด่นๆของหลวงพ่อเนะี่ยลองอ่านตรวจดูแล้วก็ถ้าประโยคใดมันไม่ตรงให้หลวงพ่อขีดทับฆ่าทิ้งนันทีโดยความเคารพอย่างสูงพระทรงศิลนตนั้งแต่วันที่เก้าเดือนสิบ 2552อยหกี่ปีแล้วอารว่าก็เลยเขียนเอไว้เป็นหัวข้ออันดับแร ก, กคือที่ได้ยินบ่อยๆใครเวลามีความทุกข์ไปหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะบอกทันทีเลยหลวงพ่อเนี่ยทุกที่สุดในโลกแล้วอย่ามาคุยอวดในะเรื่องความทุกข์นะหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนขี้ทุกขี้ยากอาพับนะเรื่องทุกข์เนี่ยอย่ามาคุยอวดจ้าอายุ ป, ประมาณ6ปีนะหลวงพ่อก็เรียนจบปสโดยใช้เวลาประมาณ3ามปีนะ บวกขวบก็ประมาณปหนึ่งนะแล้วก็เรียนต่อไปจบปสี่ใช้เวลาสามปีก็เเรียนพาฒชั้นเป็นคนสมองดีเป็นคนที่เรียนและจําแม่นมีลักษณะผู้นําด้วยเป็นคนที่นะยากจนมีผ้ากับผาผืนเดียวไม่มีรองเท้าใส่เขาหรอกยากจนมากทีก็นอนชุดเปียกๆนะตื่นมาก็แห้งก็ไปต่ออีกเป็นคนอาภัพพ่อพ่อตาย รับผิดชอบแม่แล้วกับ น, น้องๆเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ขยันทํางานเลี้ยงวายไถนาทำนาช่างไม้นะทำงานจักสานงานไม้ไผ่หลวงพ่อเก่งมากเป็นหมอทำหมอทำขอดหมอทำแยนะแบบสมัยโบราณเป็นหมอศยศาสตร์ด้วยหลวงพ่อเขียนนะีหมอผีนะหมอป่าผีเป็นช่างตัดผมเป่าแขนสีซอเล่นละนานนะงานดนตรีก็จานาญอยูนะ่ชอบนั่งสมาธิแบบพุโทโธอย่างเงี้ยนะ ทำงานไปพร้อมกับการมริการมาพุตโตดำนาพุตโตเกี่ยวข้าวพุตโตฟาดข้าวกับพุตโตฟาดข้าวทั้งคืนเน่ยฟาดได้เลยพุตโตพุตโตฟาดข้าวไปโดยเช้าเสร็จเอาข้าวเข้ า, ขายุ่งได้เลยอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศาสนาพุทธศาสนานะก็มีครอบครัวมีปัญญาแล้วก็ลูกเห็นพระจับปลาถูกจ้างมาให้เป็นเจ้าวาดอยู่ตามวัดตามวาไม่ก่อให้เกิดสัตห์ก็เกิดมีความรับผิดชอบขึ้นมาอยากจะรับผิดชอบศาสนา อยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศ า, า, าสานาพุทธศาสนาอยากได้บุญกลัวบาปรู้จักที่ศึกใหม่มีพระกรรมฐานอยู่จังหวัดเลยอสอนได้คือหลวงปู่เทียนจิโตโพะกระจึงนะไปพบกับหลวงพ่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ไปพบหลวงพ่เทียนนี่หลวงปู่เทียนไม่กุฏิอยู่ไม่มีกุฏิให้อยู่ก็ไปอยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อเทียนนั่นแหละหลวงปู่เทียนนั่นแหะบริการรับใช้แขกไปใครมาต้อนรับ ปูเสือแก้วน้ําเก็บกว่าปัตถูดูวัดปฏิบัติหลวงปู่เทียนเลยไม่ได้มาดูตัวเองไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยตอนหลังย้ายแค่ที่นอนผายยางกลางเป็นหลังคาเัือกขาวไปปฏิบัติธรรมออกห่างจากหลวงปู่เทียนปฏิบัติไปก็สนใจเรื่องอื่นไปเขียนยันอวดเพื่อนบางทีก็นึกถึงคําบริกรรมต่างๆปฏิบัติธรรม สร้างความต่อเนื่องยกมือสิบสี่ชิ้นวะแล้วก็เดินจงกร ม, มกันเนนไปถามก็ว่าอายารู้รูบนำแล้วบอกเนนทํำมากี่วันก็รู้แล้วรูปนาำเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจมันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรกันรู้ปฏิบัติแล้วไม่เห็นรั่วอะไรเก็เลยนะกระถางหลวงพ่อเตียนมามีไม่คนที่ไปฏิบัทำแล้วก็ไม่รั่วอะไรเลยหนะลวงพ่อเตียนบอกไม่มีแล้วก็ท้าทายด้วยมีเงินเดือนเดือนอะไรหลวงพ่อเขบอกประมาณพันบาททําอะไรเป็นอยู่หลายอย่าง ถ้าไม่รู้อะไรนะหลวงปู่เทียนก็จะจ่ายเขาให้หลอกเดือนละพันบาทเนี่ยก็ไปบัตรต่ออีกสิเวันกน็รู้เรื่องรูปน้ำขึ้นไหมขณะดเดินจงกรมอยู่ใต้ต้นขาขี้หมูนะเป็นร่องรอยที่ลืมไม่ลงเป็นอดีตลำลึกที่พุทธคยาราชภัฏ์เมืองเลยนะพุทธยานเดี๋ยวนี้เป็นราชภัฏ์ของเมืองเลยไปแล้วตอนหลังพอรู้แล้วก็เลยมาบวชเป็นพระภิกษุเป็นโยม ปฏิบัติทำปลาก็ชอบใช้ทํางานใช้เก็บผักขึ้นมะพร้าวบ้างก็เลยตัดใจบวชปลาดีกว่าไม่ให้ปลามาใช้พระด้วยกันตอนเป็นโยมก็ชอบใช้ก็ต้องทำํำแต่พอเป็นพระแล้วใช้ไม่ทํด า, าดื้อเจะคุณเสียน้าเจ้าคณะจังหวัดเลยก็เป็นอุปชาตั้งใจปฏิบัติจนกระทั่งนั่งสร้างจังหวะรูปแบบ14ี่จังหวัดจนพื้นกระดานมันแผลบเลย พิงเสาไม้หน้าสามมันทั้งเสาทั้งพื้นเอาลงศพมาทําเป็นพื้นกุฏิเป็นฝากุฏิประวัติอัตขัดขัดสนมากแล้วก็เป็นศพที่น้ําเหลืองไหลเยิ้มก็ฆ่ากันตายอะกลิ่นก็เหม็นจะเวลาฝนตกทีกระเหม็นมากๆากหลวงพ่อก็นอนได้บริกรรมไปได้ขณะนอนนอนคิดฝันเห็นผีก็มีคาถาไล่ผีไปในตัวนะ ก็คือความคิดนะนะเป็นคนที่ขยันแล้วก็เสี่ยงตายนะ mm hmm. เวลารู้ทำรรมาล้กล้าหานขุดบ่อน้าเนี่ยมีเพื่อนนะชวนกันไปขุดบ่อน้ํำบนภูเขาอเพราะว่าน้ามันไ ม, ม, ม่มีแมลงจัดนหะลวงพ่อคาสาเร า, าไม่ขุดแล้วตอนหลังดินมันพังหลวงพ่อก็บอกเออถ้าดินมันพังลงมาทับนะก็เอาดินข้นบนนะ่ะถมใส่เพลนมันลงไปบอกกับพ่อแม่นะให้สาบสูเจากโลกนี้ไปแล้ ก็ตั้งใจบัตจนกระทั่งเนตอนหลังเนี่ยรู้เรื่องบนเรื่องบาปเรื่องศาสนาพุทธศาสนากุศลอกุศลต่างต่ตอนหลังก็เกิดภาวะแก้วแตกขึ้นมาก็คือขณะที่ฉันข้าวเกิดสภาวะขันห้ามันแยกมันต่อกันไม่ติดเปรียกเหมือนกับแก้วนะมันลาวมันแตกเนี่ยเอาต่อแล้วมันใช้ไม่ได้เพราะว่าก็เปรียบอย่างนั้นใส่น้ำก็ใส่ไม่ได้ใส่อะไรก็ใส่ไม่ได้เหมือนขันห้าของเราเอามาใช้มันทุกข์หนุนใจไม่ได้เราก็เตียนถามว่าเป็นอะไรพอเห็นอาการอย่างนั้นก็ หลวงพ่อกเขียนนั่งอาการแปลกๆนีก็ถามเป็นไรหลวพ่อบอกโอ้รู้สึกเสียดายเสียดายกันท่าอะไรรู้สึกอะไรที่จะไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้อีกต่อไปมันจะไปเดามาเป็นโลงอามาเป็นถ้วอีกต่อไปหลวงพ่ อ, อก็เลยบอก โ, อโง่แล้วโง่แล้วบ้าแล้วให้กลับมาหา ต, ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวรู้สึกเนี่ยก็นั่งปฏิบัติที่กุิก็เกิดสภาว่า ง, งั้นอีกน หลวงพ่อใช้ก็บอว่าหมดเนื้อหมดตัวครั้งที่สองเนี่ยมันหมดเนื้อหมดตัวจริงๆมันเป็นสภาวะ ร, รมที่นะมันไม่ยึดถืออะไรอีกต่อไปรูปน้ำขันห้าเนะี่ยกายใจของเราเนะ่หลวงพ่อเทียนก็เลยพูดว่าเออหากรู้อย่างนั้นจริงก็ให้มาช่วยสอนทุกคนหลังจากนั้นก็ร้อนวิชาคิดถึงแม่นะพ่อก็ตายไปแล้วก็ชวนกันชวนแม่ไปวไปปฏิป่าช้านะบอกแม่ต่อไปนี้ลูกกับแม่คนนี้จะเอากายเอาใจ ไปทาช่วยต่อไปหลังจากเข้าใจธรรมะชวนแม่หลวงพ่อบุญธรมโดไปไปฏิธรมกันที่ปาชา้าไปศึกษาตำนานอื่นว่าก็สอนอะไรกันเหนือต้ยออกตกปลากลางป้ายหมดเลยเดินทุดงนะเป็นพระจาลริกนะเป็นพระใจสิงรุ่นแรกของประเทศไทยก็รวมกับพระดังๆไปกันเดินทุดงไปจันทรีในโะดนเจ้าถิ่นก็สอน ไปการเอาสลอดใส่น้ำให้ดื่มเพราะว่าเทศแรงมากหลวงพ่อสบายก่อนอีกหมู่บ้านหนึ่งพระเจ้าถิ่นกำมันส่ส่พูดอะไรไ่่เหมือนกับ่ระต่ว่ั่่่่่่เ่่าบาทฝังดินสาบแช่่ร่่่พ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่ะ่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ หมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านน่ะหวงพไปสร้างสอนนักันนันพวกติดยาเสพติดต่างๆก็สอนหมดค น, นขี่เกียร์ขี้คันสอนฝรัง่งอิสลามต่างลทัทเทต่างชาติต่างประเทศไปสวนหมอกเจออาจารย์พุทธไปหาหลวงปู่ชาไปไหนๆเห็นภูเขาแล้วเกิดชอบขึ้นมาเพราะว่าแบบบรนนารื่นรมมากที่บรรยศเขาต้นไม้ อากาศโปร่งโล่งเห็นภูเขาแล้วชอบก็เลยอยากมีสำนักสร้างวัดช่วยหลวงปู่เทียนอยู่วัดสนามในวัดโมกทัมิ่งขวัญต่างๆเราก็มาสร้างสุขโตภูหลงภู้เขาทองฝ่าดงกระสุนปืนน่ะลวยเลือดเก็บศพคือมาอยู่ที่นี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดามา่ก่อนก็มีแต่คอมนิดมีแต่คนที่เถื่อนๆโซ่หลุดมาอยู่วันนี้กันหลวงปู่เทียนให้เลือกสามวัดที่สร้างนะวัดสนามในวัดโมกทัมิ่งขวัญเพราะไม่เอาสักวัดระดับหลวงพ่อแล้วคิดว่ามันต้องยิ่งใหญ่ ทำเต็มนําไม้น้ำมือของตัวเองสร้างวัดสร้างวาวม่ทองแมวของใครเนี่ยแหลอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่สุขโตโ ท, ทุกวันนั่นนะถูกกล่าวหาเป็นพรคอมณิทนะถูกยิงปืนขู่อยู่หลังเขามิตะกอนหลุดโซ่ดุดุเถื่อนนะก็ฆ่ากันก็ลุยเลือดเก็บศพอยู่เป็นประจำอาพับลูกศิษยนะ์ตั้งแต่สอนธรรมมามไม่เคยเห็นไม่ใครพูดเรื่องอารมปฏิบัตนะิอย่างที่หลวงพ่อพูดนะให้คนอื่นฟังเล หลวงพ่อเคยพูดกับหลวงพ่อเทียนด้วยแต่ไม่มีเคยพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อเลยบอกอาภัพลุกสิทธิ์ก็เลยถามว่าหลวงพ่อพูดคําเนี่หมายความไงหลวงพ่อก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้รู้ว่าเขารู้แล้วไม่พูดเขาไม่รู้นะเขารู้อย่างหลวงพ่อรู้แต่ว่าเขาไม่พูดเขาไม่รู้ก็เลยไม่กล้าพูดแล้วว่าภัพลูกสิทธิ์นี่นะเป็นพระกรรมฐานไม่ใช่พระนักพัฒนาเพราะว่าคนส่วนใหญ่บอกหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาหลวงพ่อหลวงพ่อเองนะเป็นพระกรรมฐานนะ เจริญสติมันก็มีผลต่อประโยชน์ตนนะแล้วก็เกิดประโยชน์ท่านขึ้นมาแล้วก็ประโยชน์ต่อสัพจสัพ ส, ส, สิ่งนะงานที่ทำเนี่ยทำเพราะเห็นว่าช่วยได้มันจําเป็นไม่มีใครทำหลวอก็เลยทำแต่วันเน้นกรรมฐานนะการเจริญสตินะโดยเฉพาะเป็นหลวงตาธรรมดาธรรมดานะเป็นหลวงตาธรรมดาธรรมดาม่ใช่หลวงตาแก่แกออก่อภยัยเป็นหลวงตาธรรมดาธรรมดาเป็นหลวงตาแก่แกที่ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไร งานหลวงพ่อส่วนใหญ่ก็ล้มเหลวแต่ว่าชีวิตหลวงพ่อไม่ล้มเหลวอนุรักษ์น้ําอนุรักษ์ดินน้ําก็มีพิษดินก็มียาข่าแมลแรงอากาศก็มีมลพิษมลภาวะต่างๆ ต, ต้นไม้ก็โดนตัดเผาถูกทําลายป่าถูกทํำลายหมดเลยงานหลวงพ่อเนี่ล้มเหลวแต่ว่าชีวิตหลวงพ่อไม่ล้มเหลวสอนให้คนมีสติมีธรรมเข้ากาโลภกดหลงกันทั้งบ้านทั้งเมืองทะเลาะอิจฉาหรือสยากินเหล้าติดจิงเสพติดงานหลวงพ่อล้มเหลวแต่ว่าตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลว ปฏิบัติธรรมมาสี่สิบปีก็เป็นวันนี้คือเผชิญความตายอยู่ในห้อง icu นะปปวยเป็นโรคมะเร็งระดับที่สนะแต่ว่าผ่านมาได้หลวงพ่อก็เลยนึกถึงคนที่ว่าไม่มีกรรมฐานนะเขาจะอยู่ยังไงนะสภาวะตรงนั้นเนะี่ยมันเหมือนกับนะแพ้ที่มันชนกับหน้าผานะแพรที่ไม่เทียบฝั่งหลวงพ่อเลยตั้งใจว่าหายมาจากการรักษาโรคมเนะเร็งเนี่ยก็จะปลูกต้นไม้ใช้นีนะ่ประเทศชาติ ใช้นี้กับโลกใบเนี่ยแล้วก็จะสอนทำใช้นี่เพื่อนดีหมอดียาดีกรรมฐานดีก็เลยหายป่วยก็จะทําดีใช้นี่ต่อไปอยู่สุขโตัวเพื่อสอนทำจะพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสก็จะพูดหลังทําวัดเช้าส่วนใหญ่ตอนเย็นก็ส่วนใหญ่ก็ไม่คยได้พูดนะแล้วสิ่งที่หลวงพ่อพูดในท้ายสุดเมื่อเข้าใจสภาวธรรมแล้วก็คือ ไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรมันสุดคำพูดตรงนี้ต้องสัมผัสเอาเองตัวใครตัวเรามันที่สุดของการสแสวงหาครูบาอาจารย์หยุดสแสวงหาครูบาอาจารย์หยุดสแสวงหารูปแบบปฏิบัติแล้วท้ายสุดก็คือองค์สมเด็จสัมส ม, มาฯเจ้าแล้วก็หลวงปู่เทียนแล้คืออาจารย์ของท่านอันว่าก็ได้เขียนเอาไว้เป็นสคริปต์แล้วก็คุณจรรยศักด์ก็คงจะไป ทำเป็นภาพยนตรนะ์เป็นหนังอย่างที่เราจะได้ดูได้ชมกันต่อไปนะี่ยนะเพื่อนก็ลองดูนะดูว่ามันจะออกมายัางไงนะกรับเรียนเชิญ